เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีปอบที่บ้านท่าวังหินเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่ของผมได้เล่าให้ฟังซึ่งคุณแม่ได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองตั้งแต่ยังสาวเมื่อประมาณ40ปีก่อนซึ่งคุณแม่ของผมท่านเป็นครู มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณแม่ได้ไปเช่าบ้านของเพื่อนครูที่โรงเรียนเดียวกันเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนสะดวกในการเดินทางมีอยู่วันหนึ่งก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นเพราะมีคนแถวแถวนั้นมาตามคุณแม่รวมทั้งเพื่อนคุณแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าไปดูอาการเพื่อนบ้านคนหนึ่งเพื่อนบ้านคนที่ว่านี้ อยู่ๆก็มีอาการแปลกๆพูดเพอ้อเจอ้อไม่รู้ตัวใครชวนคุยหรือถามไทยอะไรก็คุยกันไม่รู้เรื่องชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าคงจะโดนผีเข้าแต่ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะชาวบ้านก็ไม่รู้จักหมอผีที่ไหนที่จะตามมาได้ ก็เลยเรียกแม่ผมกับเพื่อนครูของแม่ไปเพื่อจะปรึกษากันว่าจะทาอย่างไรกันดีเพราะเขาเห็นว่าเป็นครูคงจะมีความรู้หรือประสบการณ์พอจะช่วยเขาได้เพื่อนของแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าก็ไปคุยไปถามกับหญิงที่โดนผีสิงก็ไม่ยอมพูดยอมจานั่งเมาซึมอยู่แม่ของผมก็เลยลองเข้าไปคุยบ้าง ปรากฏว่าหญิงที่โดนผีสิงกลับขยับตัวหนีไม่กล้าศกตาและไล่คุณแม่ของผมให้ออกไปไกลๆชาวบ้านและเพื่อนแม่รวมทั้งคุณแม่ของผมจึงออกมานั่งปรึกษากันห่างๆบางคนถามคุณแม่ของผมว่าทำไมผีถึงกลัวคุณแม่ของผมแม่ก็บอกว่าไม่รู้ ไม่ได้เรียนคาถาอาคมอะไรมาทั้งนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมผีถึงได้กลัวแล้วพักหนึ่งคุณแม่ของผมก็คิดได้หรือว่าผีจะกลัวพระที่คุณแม่ห้อยคออยู่ท่านเลยควักพระออกมาให้ทุกคนดูพระองค์นั้นก็คือพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นพระโลหะ นักเลงพระเขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเพราะรูปทรงจะเหมือนเตารีดที่ใช้รีดผ้าพระองค์นี้คุณแม่ได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งที่เคยไปวัดช้างให้ามาเมื่อปีพศสอ 2, 5 1 2เขาเช่าพระมาฝากพระองค์นี้ปลุกเสกโดยพระอาจารย์ทิม ผู้สร้างหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ขึ้นมาเป็นคนแรกชาวบ้านกับคุณแม่ก็เลยปรึกษากันดูว่าจะลองอาราธนาพระหลวงปู่ทวดทำน้ำมนต์รักษาผู้หญิงที่โดนผีเข้าดูชาวบ้านก็เลยวิ่งไปหาขันน้ำทูปเทียนดอกไม้มาให้คุณแม่พอได้มาคุณแม่ก็จุดธูปสวดมนต์ แล้วบอกกล่าวหลวงปู่ทวดให้มาช่วยเหลือพอทำน้ำมนต์เสร็จก็ตักน้ำมนต์ไปราดหญิงที่โดนผีสิงพอน้ำมนต์โดนร่างกายเท่านั้นแหละหญิงที่โดนผีสิงก็ถึงกับกรีดร้องออกมาแล้วบอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วคุณแม่ก็เลยถามว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาสิงหญิงคนนี้ ผีในร่างนั้นก็เลยบอกว่าเป็นแม่ชีที่ปลูกกระตอบอยู่ใกล้ๆกันนี้แหละเธอไปเรียนคาถาอาคมมาแต่รักษาสัจจะที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์ไม่ได้รวมทั้งผิดศีลคือเป็นแม่ชีโกนหัวแทนที่จะอยู่วัดแต่กลับมาอยู่ร่วมหลับนอนกับสามี และอาศัยผ้าขาวเที่ยวเดินถือบาทหลอกชาวบ้านให้บินทบาทหรือบริจาคทานให้เธอซึ่งแม่ชีคนนี้ตอนเช้าเช้าจะออกไปบินทบาทไกลๆบ้านบริเวณที่ไม่มีคนรู้จักแต่กลับเอาข้าวหรือของที่ชาวบ้านใส่บาทนั้นกลับมาที่บ้านมาทานเองของที่เขาทำทานให้มาก็เก็บไว้ใช้เอง ลักษณะแม่ชีที่กลายเป็นผีมาสิงชาวบ้านแบบนี้แถวบ้านผมเขาเรียกผีปอบก็คือผีในร่างคนเป็นเนื่องจากไปเรียนคาถาอาคมแล้วรักษาข้อห้ามต่างๆไม่ได้ตัวแม่ชีก็กลายเป็นผีปอบไปแล้วสาเหตุที่มาสิงผู้หญิงคนนี้ก็เพื่อจะมาแฝงกินอวัยวะภายในของหญิงที่โดนสิงนั่นเอง คุณแม่ได้ขอร้องให้ผีปอบตอนนี้ออกไปจากร่างหญิงคนนั้นถ้าไม่อย่างนั้นจะโดนรถด้วยน้ำมนต์อีกผีปอบก็เลยร้องบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วแล้วหญิงที่ถูกผีปอบสิงก็ฟุบลงไปคุณแม่ก็เลยช่วยกันปลุกหญิงที่โดนผีปอบสิงเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่า เธอไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ว่าผีมาสิงเมื่อไหรคุณแม่จึงรดน้ำมนต์หลวงปู่ทวดให้หมดทั้งขันแล้วบอกให้ผู้หญิงที่ถูกผีสิงนั้นไปหาพระไปรดน้ำมนต์ในวันรุ่งขึ้นด้วยปัจจุบันพระหลวงปู่ทวดที่คุณแม่ใช้ทำน้ำมนต์มีเซียนพระตีราคาให้หลายหมื่นบาทเขาบอกว่า เป็นหลวงปูดทวดหลังเตารีดปีศ5หพิมพ์ตัวหนังสือเล็กซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2513ที่บ้านท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนที่คุณแม่สอนในตอนนั้นก็คือโรงเรียนบ้านท่าวังหินสามมาคีวิทยาคารนั่นเองและนี่